ยีปนามานาคมาปนาว่าด้วยการประนามและการขอขมาเรื่องอันเตวาสิกไม่ประพฤติชอบข้อ80สมัยนั้นพวกอันเตวาสิคไม่ประพฤติชอบในอาจารย์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคพระ เ, เจ้าทรงตําหนิว่าภิกษุทั้งหลายอันเตวาสิกจะไม่ประพฤติชอบในอาจารย์ไม่ได้ รูปใดไม่ประพฤติชอบต้องระบตดทุกกด